Mm hm mm -hmm. mm -hmm. ที่ว่าเป็นวันมงคล น, นี้นะไม่เกี่ยวกับเลิกยามไม่เกี่ยวกับเลิกผานาทีแต่เป็นเพราะว่าพวกเราได้มาร่วมกันทำความดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำความดีเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็เป็นเลิกดีเป็นยามดีเป็นวันมงคลวันนี้พวกเราก็มาจากหลายทิศหลายทางนะทั้งใกล้ทั้งไกลเพื่อมาร่วมกันทำความดี เมื่อห้าเดือนที่แล้วนะก็วันมงคลก็ได้เกิดขึ้นนะกับที่นี่แล้วก็ที่บ้านตาดินทองเพราะว่าผู้คนเป็นร้อยเป็นพันนะมาร่วมกันวางทัววางทัวทั่วภูเพื่อฟื้นฟูป่าปูหลงเพราะว่าก่อนหน้านั้นเดือนหนึ่งก็มีไฟไหม้ใหญ่ผู้คนจากทั่วสารทิศได้ข่าวก็ส่ง ทั้งกำลังใจแล้วก็เงินมาช่วยดับไฟหลายคนก็ขับรถมาจากกรุงเทพบ้างจากต่างจังหวัดบ้างนะเพื่อมาช่วยดับไฟดับไฟเสร็จจะวานทัวเพื่อคุมย่าไม่ให้เป็นเชื้อไฟในหน้าแลกนะก็มากันหลายมากันโดยที่ไม่มีพิธีรีตองอันนั่นแหละก็คือวันมงคลนะที่ได้เกิดขึ้นกับที่นี่ วันนี้นะก็เป็นวันมงคลเช่นกันแต่เรามาในวันนี้ก็มีพิธีนิดหน่อยนะเพราะว่าปารพในโอกาสที่มีการทอดกระถินการทอดกระถิ่นเป็นงานบุญที่ชาวพุทธไทยเรารู้ดีว่าเป็นงานที่เป็นงานบุญที่ทำได้ยากวัดหนึ่งเนี่ยก็จัดงานได้เพียงแค่ครั้งเดียวในหนึ่งปี จะจัดบ่อยๆก็ไม่ได้ไม่เหมือนองานบวชไม่เหมือนอการถวายสังฆทานทำได้ทั้งปีแล้วก็ทำได้เฉพาะเวลาที่จำกัดก็คือหนึ่งเดือนหลังออกพรรษานี่ก็ผ่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์นะมีเวลาที่จะทอดกระถินอีกแค่สามอาทิตย์เท่านั้นนะสิ้นสุดวันลอยกระทง หลายท่านก็ไปร่วมบุญที่วัดภูเขาทองมาแล้วเมื่อวันซืนที่วัดป่าสุโกโตเมื่อวานแล้วก็มาวันนี้นะแต่ก็ดูไม่ได้เหนื่อยอะไรทุกคนที่มาวันนี้นะก็มาด้วยความอา่าเรียกว่าอิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจเมื่อช้านี่ก็อิ่มท้องนะ เพราะว่ามีญาติโยมผู้มีติตศรัทธานํามาตั้งโรงทานบางคนอาจจะมาสายก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้อิ่มท้องแนะ่เพราะว่าตอนเทนนะก็มีโรงทานที่จะมาบริการให้กับพวกเราอิ่มท้องไม่พออิ่มใจด้วยอิ่มใจเพราะได้มาทําบุญ ทำบุญนี่ก็ทําได้มาทําหลายวิธีบางคนก็มาถวายเงินบางคนก็มาสละเลี้ยวแรงบางคนก็มาตั้งโรงทานเวลาเราอิ่มท้องเนี่ยนะเราอิ่มท้องเพราะว่าเรากินอาหารเข้าไปแต่อิ่มใจนี่ไม่เหมือนกันนะอิ่มใจเนี่ย เราอิ่มใจเพราะาเราได้ให้อิ่มท้องเนี่ยเกิดจากการเป็นผู้รับนะรับอาหารเข้าไปใส่ท้องก็อิ่มแต่อิ่มใจเนี่ยมันเกิดจากการให้เกิดจากการสละญาติโยมที่มาที่นี่แล้วอิ่มใจเพราะว่าได้เป็นผู้ให้สละปัจจัยนะสละสิ่งของเป็นเงินสมทบกรถินเป็นบริวาร รวมทั้งสละผ้าให้เป็นองค์กถินคนที่มาตั้งโรงทานนะก็อิ่มใจทั้งทั้งที่ตื่นแต่เช้านะเรียกว่าตื่นแต่เช้ามืดแล้วก็ทํานั่นทนํานี่อาจจะไม่ได้หยุดเลยแต่มีความสุขเพราะว่าเป็นผู้ให้ให้เงินนะให้เวลาสละแรงกาย จะให้แบบไหนก็ตามสิ่งที่เกิดคือความอิ่มใจนะอิ่มท้องอิ่มใจนี่มันต่างกันนะเราอิ่มท้องเพราะเรารับเอาอาหารเข้าไปใส่ท้องแต่เราอิ่มใจเพราะเราเป็นผู้สละเป็นผู้ให้นะที่ญาติโยมเนี่ยอิ่มใจเพราะว่าได้มาถวายทานนะให้กับพระให้กับสงฆ์การทอดกรถินกนีก่คือการถวายสังฆทานอย่างหนึ่ง ญาติโยมคือเจ้าภาพนะก็มีกำนันวรเดชแล้วก็คุณตุ๊กสุพิดาแล้วก็คณะมิสหายมาถวายผ้าให้กับสงฆ์แล้วสงฆ์ก็ตกลงว่าจะมอบให้กับอาจารย์สุรุวุฒิการที่ถวายเนี่ยนคือการบำเพ็ญทานทำแล้วก็มีความสุขการสละ แลงกายมาช่วยเป็นจิตอาสามาเป็นญาติธรรมช่วยทำให้การทอดกถินวันนี้นะสำเร็จได้ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งผู้เจ้าตรัสว่าบุคคลผู้มีปัญญาปราศจากความต น, นีย่อมบริจาคหรือให้ทานตามการเมื่อให้ทานแล้วมีจิตเลื่อมใสศรัทธาทานนั้น นะย่อมมีผลอันไพยบณ์ในทำนองเดียวกันญนะาติโยมนะที่มาร่วมอนุโมทนาหรือมาช่วยขนขวายในบุญกระถินนี้ก็ย่อมได้รับส่วนบุญด้วยและบุญในงานกระถินเนี่ยมันทำให้อิ่มใจและอิ่มใจก็เพราะว่าได้เป็นผู้ให้ได้เป็นผู้สละนะ จำนวนกี่มากน้อยไม่สำคัญจะไม่มีบริวารเลยก็ไม่เป็นไรสิ่งสำคัญอยู่ที่ใจใจที่คิดจะให้ให้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาให้ด้วยความเมตตาอย่างญาติโยมก็มาถวายผ้าถวายบริวารด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในสงฆ์อีกหลายคนก็มาตั้งโรงทานด้วยความเมตตากับผู้ที่มาร่วมงาน เพียงแค่ตั้งใจอันนี้ก็ได้บุญแล้วนะแล้วก็ได้ลงมือทำนะบุญก็เจริญขึ้นจะตั้งใจจะถวายบริจาคได้มาเท่าไหร่อันนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญสิ่งสำคัญก็คือจิตที่มีเรื่งความเริ่มสายศรัทธาจิตที่มีเมตตาอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะว่าสิ่งที่มาเป็นหัวใจของงานทอดกับถินเนี่ยนะ ก็คือการร่วมแรงร่วมใจด้วยด้วยศรัทธาด้วยความเมตตาความสําเร็จของงานกระถินอยู่ตรงนี้นะไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินบางคนก็เข้าใจผิดแนละ้วคิดว่าเนี่ยงานกระถิ่นเนี่ยของฉันเนี่ยจะสําเร็จได้ต้องมีเงินเยอะๆมาถวายบางทีก็มาอวดอวดกันมาแข่งกันว่าเจ้าภาพคนไหนนะหาเงินเข้าวัดได้มากกว่ากัน บางคนพอรู้ว่าหาเงินเข้าวัดได้น้อยกว่าเจ้าภาพอีกวัดหนึ่งเสียใจถ้าเสียใจแบบนี้ก็ทําให้บุญที่ได้เนี่ยมันลดน้อยถอยลงนะเพราะว่าจิตเนี่ยหม่นหมองแล้วจิตไม่ล่าเริงเบิกบานเราไม่แข่งกันเราไม่วัดกันที่จำนวนเงินเราไม่วัดไม่แข่งกันว่าจะเป็นผ้าเ น, นื้อดีหรือเปล่าบริวารเยอะหรือไม่ ขอให้มาจากใจพูะจาร์ตรัสว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่นะมีใจประเสริฐสุด ส, สำเร็จได้ด้วยใจนะมาทอดก็ถินด้วยใจเนี่ยได้บุญละแม้แต่ไม่มีเงินมาถวายแค่อนุมโมทนาเนี่ยก็ได้มีส่วนแห่งบุญละนะอย่างที่ได้พูดมาสักครู่นะอันนี้เนี่ยเมื่อเราเมื่อเรา เมื่อเรามาด้วยจิตที่มีความเรื่อสายศรัท ธ, ธามีความปรารถนาดีมีเมตตาแล้วเนี่ยนะอย่างที่อาตมาบอกนะเพียงแค่ตั้งใจและลงรรมือทำจะสําเร็จหรือไม่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญละได้บุญเหมือนกันมีเรื่องเล่าว่าหลวงพ่อโตนะสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์พวกเราชาวพุทธหลายคนรู้จักดีเพราะว่าอย่างน้อยก็เคยได้ยินคําว่า พระสมเด็จนะพระสมเด็จเนี่ยราคาแพงที่สุดนะเขถือว่าครั้งศักดิ์สิทธิ์มากเนี่ยก็เพราะว่ามาจากการสร้างของหลวงพ่อโตสมเด็จพระพุทธาจารย์มีครามหนึ่งท่านก็ไปทอดกรถินที่วัดหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดภายเรือไปก็คงมีลูกศิษย์เนี่ยพายเรือแล้วก็ท่านก็นําองค์กรถินทั้งผ้าทั้งบริวารใส่เรือ แล้วก็ไปยังวัดที่ทอดกะถินบอกว่าวัดไกลอยู่ไกลเนี่ยไปไม่ถึงต้องค้างแรมที่วัดแห่งหนึ่งท่านก็ไปจำวัดที่อุโบสถหรือที่โบสถ์นะส่วนเรือนี่ก็จอดทิ้งเอาไว้นะตรงท่าน้ำบอก ว, ว่ามีคนมาขโมยนะคนมายกเขาเอาเครื่องเอาองค์กะถินนะ่นบริวารไปหมดเลยนะหลวงพ่อโตแทนที่จะเสียใจนะ นั้นท่านดีใจอเสร็จแล้วท่านก็เลยพายเรือกลับชาวบ้านเห็นหลวงพ่อโตก็เลยถามว่าทอดก็ถินเสร็จแล้วเหรอท่านตอบว่าทอดก็ถินเสร็จแล้วจ้าแล้วก็ขากลับก็ซื้อม่อไปแจกชาวบ้านชาวบ้านเห็นหลวงพ่อโตซื้อม่อก็เลยไปแทงหวยหมอมาก็ถูกนะแต่ว่าที่จะพูดตรงนี้ไม่ได้พูดเรื่องหวยนะ พูดตรงที่ว่าหลวงพ่อโตเนี่ยนะทอของกระถินเนี่ยถูกโจรขโมยไปเนี่ยท่านไม่เสียใจถึงแม้ท่านตั้งใจว่าจะไปทอดกระถินที่วัดนั้นนะ่ะนะแต่ว่ามันไม่มีอะไรจะทอดแล้วท่านก็ไม่เสียใจนะเพราะว่าท่านได้ตั้งใจแล้วก็ทําแล้วนะแต่มันไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรท่านปล่อยวางได้ไม่สําเร็จตามที่ตั้งใจท่านก็ไม่ทุกข์ นะแล้วท่านก็ถือว่าทอากฐินแล้วนะท่านตอบชาวบ้านว่าทอากฐินเสร็จแล้วจ้านะไอ้องกฐินเนี่ยแล้วบริวารเนี่ยไม่ได้ถึงไม่ได้ถึงมือพระเลยนะมันไปตกเป็นของโจรไปแล้วนะแต่ท่านก็ไม่ทุกข์เพราะท่านถือว่าตั้งใจแล้วแล้วก็ทำแล้วมันจะไปถึงพระหรือว่าถึงใครก็ก็ช่วยไม่ได้สุดวิสัยท่านก็ไม่ได้เป็นทุกข์ ถือว่าได้ทำแล้ว น, ะนี่ก็ได้บุญนะถ้าเกิดว่าท่านเสียใจนะโมโ ห, โหนะที่ไม่ทำตามที่ไม่ได้ทำตามที่ตั้งใจนะไม่ได้เอาบริวารเอาองคถินไปถวายไปทอดที่วัดนะเสียใจนะโกรธเนี่ยอย่างนี้ได้บุญน้อยนะได้บุญน้อยท่านปล่อยวางได้ไอการปล่อยวางนี่ก็เป็นการสละแบบหนึ่งนะ เรามาที่นี่เนี่ยเราอยจะคิดแต่เพียงว่าเออการสละเนี่ยมันทําด้วยได้ด้วยการให้ทานการปล่อยวางแล้วนะก็เป็นการสละแบบหนึ่งที่ทําให้อิ่มใจหลายคนนะตั้งใจจะมาทำอาหารถวายพระนําจีวรมาถวายจเจ้าวาดนะแต่ปรากฏว่าพระไม่ได้ชั้นอาหารที่เตรียมไว้หรือว่า จเจ้าอาว่าไม่ได้ครองผ้าที่ตัวเองถวายก็อย่าเสียใจนะเพราะว่าเราตั้งใจแล้วและเราก็ทำแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจเรารู้จักปล่อยวางนะอันนี้เราได้บุญเลยเราจะอิ่มใจเหมือนกันนะแต่บางคนวางใจไม่ถูกนะเอาอาหารมาตั้งใจทำอย่างดีเพื่อมาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ฉันอาจจะเป็นพ่อหลวงพ่ออิ่มแล้วนะ พอหลวงพ่อไม่ฉันเนี่ยก็เสียใจนะอันนี้แสดงว่ายังไม่ปล่อยวางนะยังยึดติดถือมัน่นยึดติดถือมั่นในความตั้งใจยึดติดถือมั่นว่าเป็นอาหารของฉันหลวงพ่อถวายหลวงพ่อไปแล้วก็เป็นของหลวงพ่อไม่ใช่ของเราท่านจะฉันหรือไม่ฉันนะก็เป็นเรื่องของท่านนะไม่ใช่เรื่องของเราเพราะว่าเราถวายให้เป็นของท่านไปแล้วจะเป็นอาหารเป็นจีวรก็ตามนะ บางคนอาจจะตั้งใจมาทอดกรถินก็เตรียมผ้าเตรียมอุปกรณ์เตรียมสัมภาระเตรียมบริขารมานะเสร็จแล้วเกิดรถเสียมาไม่ถึงวัดนะก็จะเสียใจนะเพราะว่าเราตั้งใจแล้วเราทําแล้วนะแต่มันไม่สําเร็จนะมันไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจ ให้ถือว่าเราได้ทําแล้วนะเหมือนกับที่หลวงพ่อโตบอกว่าทอดเสร็จแล้วนะทอดเสร็จแล้วนะให้ระวังใจแบบนี้คือรู้จักปล่อยวาง <c oughs> อะไรที่ทําดีแล้วเนี่ยแต่ว่ามันมันไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจนะก็อย่าไปทุกข์แต่ที่ทุกข์พ่อแล้วพ่อยังยึดติดถือมั่นกับความตั้งใจนั้นมีกับยึดติดถือมั่นกับความคาดหวังพอมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังทุกข์เลย คนเราทุกขพราความคาดหวังเยอะนะบางทีดูแลพ่อแม่ก็อยากจะให้ท่านงดอาหารบางอย่างอยากจะให้พ่องดบุหรี่อยากจะให้แม่นิงดของหวานงดข้าวเหนียวทุเรียนเพราะว่าแม่เป็นเบาหวานนะหรือว่างดข้าวขาหมูเพราะว่าเป็นโรคหัดใจเนะี่ยแต่แม่ก็แอบกินนะก็เสียใจนะเสียใจจะไม่พอโกรธ ด, ด้วยเพราะว่า แม่ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังก็เลยต่อว่าแม่แม่ก็เสียใจตัวลูกก็เสียใจนะว่าทำไมเราถึงพูดไม่ดีกับแม่ทำไมเราพูดไม่ดีกับพ่อก็เลยเครียดนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับวันรุ่งขึ้นตื่นมาก็จิตใจไม่ผ่องใสหงุดหงิดง่ายพอพ่อแม่ทำอะไรไม่ถูกใจก็ว่าอีกด่าอีกนะกลายเป็นว่า ยิ่งดูแลพ่อแม่ยิ่งทุกข์นะนี่เพราะว่าไม่รู้จักปล่อยวางนะปรารถนาดีเกินไปแล้วก็อยากจะให้ท่านเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังทั้งที่ความคาดหวังนั้เป็นของดีเป็นความปรารถนาดีแต่พอไปคาดพอไปยึดติด ถ, ถือมั่นมันทุกข์นะมันทุกข์แล้วก็เลยสร้างความเดือดร้อนทั้งกับเจ้าตัวแล้วก็คนที่เรารักคือพ่อแม่บางทีก็เป็นลูกนะ ความอิ่มใจอย่างที่ธรรมาบอกนะัมันเกิดจากการที่เรารู้จักสละนะแล้วก็ไม่ใช่แค่สละสิ่งของสละเงินนะบางทีก็ต้องปล่อยวางนะสิ่งที่เราตั้งใจแต่เมื่อเราทําเต็มที่แล้วเราเจตนาดีเราพยายามแล้วแต่ว่ามันไปไม่ถึงนะก็ไม่ทุกในเวลาเราทําดีเนี่ยมาทําบุญเนี่ยต้องต้องวางใจแบบนี้ให้เป็นนะ รู้จักปล่อยรู้จักวางได้จะขอให้ทำก่อนนะขอให้ทำก่อนไม่ใช่ปล่อยวางแล้วไม่ทำเลยนะอันนี้ไม่ถูกทำแล้วนะมันได้มันไปได้ไม่ถึงเป้าก็ไม่มทุกบางทีตั้งใจว่าจะหาเงินเข้าวัดแสนหนึ่งเนะี่ยมันได้แค่ห้าหมื่นก็ไม่เสียใจนะเพราะว่าเราตั้งใจแล้วเราพยายามทำแล้วนะแล้วมันไม่ได้อย่างที่ตั้งใจนะ ก็ถือว่าได้ทําบุญเหมือนกันนะแล้วก็อย่างที่บอกนะบุญจะมากหรือน้อยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินไม่ได้อยู่ที่ของบริวารว่ามากหรือน้อยนะบริวารเนี่ยก็หมายถึงเงินแล้วก็สิ่งของเนี่ยอย่างที่กองอยู่ตรงเนี้ยในเรื่องบริวารแต่ว่าประทานจริงๆคือผ้าขนานดะผ้าแค่ผืนเดียวเท่านั้นแหละเป็นประธานหรือเป็นองค์กถิ่นที่เหลือเป็นบริวาร ได้บริวาร น, น้อยก็ไม่เป็นไปตามเป้าก็ไม่ทุกนะเวลาเดินทางอยากจะมาให้ถึง8ปดโมงแต่รถติดก็ไม่ทุกนะไม่ใช่ว่ารถติดก็ญหงุดหงิดนะปล่อยให้จิตตกนะรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างนะเพราะว่าเราทําเต็มที่แล้วมันก็ได้แค่นี้แหละแทนที่จะถึง8ปดโมงก็ถึง8ปดโมงครึงนะ่งเราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรคราวนี้เนี่ยพอพอพอเราทุกข์นะ พอเราหงุดหงิดแล้วนะพอเราโกรธแล้วนะหรือเสียใจเนี่ยก็ยังไม่สายนะที่เราจะปล่อยวางปล่อยอะไรนะก็ปล่อยวางความเสียใจนี่แหละปล่อยวางความหงุดหงิดนั่นแหละทีแรกเราไม่ได้ปล่อยวางความตั้งใจนะมันเป็นมันไม่เป็นแปลงที่เราตั้งใจเราก็เสียใจเราก็โกรธเราก็ขุนเคืองล้วก็หงุดหงิดนะแต่ก็ยังไม่สายนะที่จะปล่อยวางไออารมณ์เหล่านั้น ถ้าเราไปวางได้นิใจจะสบายใจจะเย็นใจจะเบาทําบุญเนี่ยถ้าทําบุญด้วยใจที่มันยึดติดถือมั่นเนี่ยนะใจมันหนักนะมันที่ขุนเคืองบางทีเรามาตั้งโรงทานเราก็อยากได้ทําเลยดีๆนะพอได้ทําเลยที่ไม่ดีอ่นะไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจนะก็ขุนเคืองนะหงุดหงิดนะก็ให้มีสตินะ รู้ทันใจที่มันหงุดหงิดนะแล้วก็วางมันลงซะเพราะเราจะได้ทําเลตรงไหนนะถ้าเราทําอย่างสุดฝีมืออาหารมันต้องอร่อยเหมือนเดิมแหละนะไม่ใช่ว่าย้ายทําเลแล้วเนี่ยอาหารมันจะไม่อร่อยนะเหมือนเดิมนะอันนี้แต่ถึงอร่อยไม่อร่อยนะตั้งใจทําแล้วเนี่ยก็ได้บุญทั้งนั้นแหละอย่าไปคิดว่าอาหารฉันไม่อร่อยสู้อีก อีกโรงทานหนึ่งไม่ได้เนี่ย อ, อ, อร่อยแม่อร่อยนี่ไม่เกี่ยวกับบุญนะบุญเนี่ยเกิดจากความตั้งใจนะแค่ตั้งใจแล้วก็พยายามทำมันก็ได้บุญแล้วอนนี้พอเงินเงิยขึ้นมาเนี่ยเออก็ยังไม่สายนะที่เราจะรู้ทันรู้แล้วก็วางแต่คนเราก็แปลงนะคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะหรือบ่อยครั้งเนี่ยเราหวงแหนความโศก ค, ความเศร้าความหงุดหงิด ยิ่งกว่าหวงแหงอย่างอื่นนะธรรมดาคนเรานี่ก็หวงแหนเงินนะเราหวเงินแต่หลายคนเนี่ยไม่หวเงินนะสลัดได้สลัดเป็นหมื่นเป็นแสนก็สลาดได้จะสละดเป็นล้านนะเพื่อช่วยวัดสงเคราะห์ศาสนาอุปถรัรมภ์พระสงฆ์หรือช่วยเหลือคนยากคนจนทำได้ไม่คิดเลยนะไม่ลังเลเลยให้ทันที แต่กับความโกรธความเศร้าความหงุดหงิด น, นะมันให้มันสละยากสละกเย็นเหลือเกินสังเกตไหมคนที่ใจบุญเนี่ยนะคนที่ใจดีเนี่ยเวลาสลากเงินทองสละง่ายนะแต่เวลาจะสลาหรือปล่อยวางความเศร้าความโศกความเสียใจยนี่มันยากเหลือเกินแล้วก็หวงด้วยนะหวงด้วยไม่ยอมปล่อยอย่างคนเวลาโกรธเนี่ย ถ้ามีคนมาแนะนำว่าให้อภัยก็ไปเถิดนะบางทีไปโกรธคนแนะนำด้วยมีโยงคนหนึ่งนะอา ย, ยุ70กว่าแล้วก็เป็นคนที่ใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนแต่ว่าเวลาพูดหรือนึกถึงคนคนหนึ่งเนี่ยคุณยายจะโกรธมากเลยเพราะว่าผู้ชายคนนี้เนรคุณนะทรยศ คุณยายอุตสาช่วยเขาก็ไปสำนึกบุญคุณแล้วก็เอาเปรียบกั่นแกล้งคุณยายก็โกรธนะเวลาพูดถึงก็จะเหมือนกับเป็นคนละคนเลยหน้าตาก็ดุดันลูกสาวเนี่ยนะก็เป็นห่วงแม่แม่กรวดแบบนี้เนี่ยนะมากๆนี่เดี๋ยวจะป่วยนะความดันแล้วก็ที่ห่วงอย่างนึงคือถ้าตายไปด้วยใจที่ยังมีอาฆาต พ, พยาบาทเนี่ย มันจะไปไม่ดีนะลูกสาวก็พยายามขอร้องว่าแม่ให้อภัยก็ไปเถอะอโหสิให้อโหสิกรรมไปเถอะเรื่องมันก็ผ่านมา30ปีแล้วนะไม่ใช่เพิ่งเกิดนะสปีแล้วนะคุณยายไม่ยอมนะคุณยายแถมยังโกรธลูกสาวอีกว่ามาแนะนาอะไรคุณยายโกรลูกสาวเหมือนกับว่าลูกสาวเนี่ยกลังจะมาแย่งชิงของรักของห่วงจากแม่ไป ไอ้ความโกรธนี่มันเป็นสิ่งที่ควรรักควรหวงควรแหงที่ไหนนะเออถ้าลูกสาวมาขอที่ดินนะลูกสาวมาขอเพชรดินจินดานี่หวงไว้ไม่ยอมให้นี่เอออันนี้พอจะเข้าใจได้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยที่ดินเนี่ยนะเพชรดินจินดาเนี่มันก็มีประโยชน์นะแต่ว่าไอ้ความโกรธเนี่ยไม่มีไม่มีประโยชน์เลยนะลูกมาแนะนําให้แม่ให้อภัยจะได้ไม่โกรธ แม่ก็โกรธลูกหวงความโกรธเอาไว้หวงความพยาบาทเราถามใจเราดีๆว่าความโกรธมันน่าหวงนะนะแล้วทำไมถึงเก็บเอาไว้ทำไมถึงยึดเอาไว้ทำไมถึงไม่ยอมปล่อยไม่ยอมสละคุณยายคุณนี่แกก็เวลาจะบริจาคเงินนะช่วยคนยากคนจนนะโหแกให้ไม่คิดเลยนะไม่ต้องลังเลไม่มีความลังเลสงสัยเลยนะแต่พอจะให้ปล่อยความโกรธนี่ไม่ยอมนะ เวลาเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะความเศร้าก็เหมือนกันนะเวลาเศร้านี่ก็หวงเลิเกินนะอยากจะหวงไม่อยากจะปล่อยความเศร้าเพื่อนมาชวนให้เพื่อนมาชวนให้ไปเที่ยวที่น้นที่นี่บ้างเพราะว่าเห็นใจสงสารที่สูญเสียลูกสูญเสียพ่อแม่เจ้าตัวไม่ยอมไปนะจะขอนั่งเจ้าจุกอยู่กับความเศร้าเวลาเปิดเพลงก็เปิดเพลงอะไรไม่ได้เปิดเพลงสนุกนะเปิดเพลงเศร้านะ นี่แปลว่าอะไรแปลว่าหวงแหนความเศร้านั่นคนเราที่แปลงนะท่านที่บอกว่ารักตัวเองรักตัวเองนะแต่ว่าหวงแหนความความโกรธนะห่วงแหนความเศร้าเก็บเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางธรรมชาติคนที่รักตัวเองนะเวลาใจทุกข์นั้นมันต้องยอมมันต้องยินดีที่จะปล่อยถ้าทุกข์เพราะเศร้าก็ต้องเต็มใจค้นขวายที่จะปล่อยวางความเศร้าถ้าทุกข์เพราะโกรธก็เต็มใจที่จะปล่อยวางความโกรธ หรือความเกลียดก็เหมือนกันนะเวลาเกลียดใครเนี่ยนะมันเหมือนกับมีดที่กรีดแทงใจแต่หลายคนนะเกลียดหวงแทนความเกลียดนะเกลียดคนอื่นจนลืมรักตัวเองเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเกลียดคนอื่นเกลียดจกนกระทั่งลืมรักตัวเองทำไมถึงบอกว่าลืมรักตัวเองก็เพราะว่าถ้ารักตัวเองเนี่ยต้อง ก็ต้องสละต้องปล่อยต้องวางความเกลียดเพราะความเกลียดนี่มันกรีดแทงใจั้ากลายเป็นว่าเรารักความโกรธเรารักความเศร้าเรารักความเกลียดมากกว่ารักตัวเองนะเราจึงหวงแหนเอาไว้น ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน ะ, ะกลับมาตั้งสติให้ดีนะเวลาเราโกรธใครเมื่อไหร่ก็รู้ว่านี่เรากำลังทำร้ายตัวเองลอเต็มใจที่จะปล่อยที่จะวางเวลาเศร้าเนี่ยก็อย่าไปเก็บมันเอาไว้นะปล่อยวางซะ เวลาเกลียดใครก็อย่าไปหวงแหนความเกลียดนะต้องสละมันออกไปไหนเราก็เก่งในเรื่องการสละเงินทองเพื่อบริจาบเป็นทานแล้วนะสละแรงงานเพื่อช่วยเหลือคนสงเคราะห์ศาสนาวัดวาอารามแล้วก็ต้องไปให้ถึงขั้นอีกขั้นหนึ่งนะก็คือสละนะความโกรธความเศร้าวความเกลียดนะความน้อยเนือน้อต่ําใจความรู้สึกผิดเนะี่ยไอ้พวกนี้นี่ไม่น่ารักไม่น่าหวงแหนเลย แต่ทําไมเป็นรักมันก็ไม่รู้นะอันนี้เพราะหลงเพราะลืมตัวอ ย, อย่างที่ธรรมาบาลนะอิ่มอิ่มท้องเพราะกินอาหารนะอิ่มใจเพราะสละอันนี้ก็ไม่ได้สละอาหารไม่ใช่สละเงินอย่างเดียวนะหมายถึงสละหรือปล่อยวางความโกรธความเกลียดความเศร้าความอาฆาตพยาบาทนะด้วยแล้วใจก็จะสบายเวลาทําอะไรนะก็เราตั้งใจแล้ว พยายามเต็มที่แล้วมันไม่ไปแปลงที่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรนะถือว่ามันสุดวิสัยเหตุปัจจัยทําได้เท่านั้นอย่าไปยึดติดถือมากกับความตั้งใจมากแต่ว่าถ้าอยากจะทําใหม่ให้สําเร็จก็ทําได้อย่างพวกเราเนี่ยนะชาวบ้านตาลินทอ น, นี่ก็ปลูกป่ากันมาเป็น10ปีแล้วตั้งใจจะให้ปา่าเนี่ยมันให้มันให้มันเต็มพื้นที่แล้ววันดีคืนดีไฟก็ไม่ใหญ่ น, นะ มันก็ไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจนะแต่ก็ไม่ทุกน ะ, ะเราก็เริ่มใหม่ปีนี้เราก็เริ่มปลูกป่ากันใหม่ปลูกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าไฟมาอีกเผาอีกอไม่เป็นไรนะเราก็ทำใหม่เรื่อยไปนะทำเต็มที่นะแต่ว่าไม่ซีเรียส น, น ะ, ะทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสหรือว่าทาเต็มที่แต่รู้จักปล่อยรู้จักวางนะ แต่อย่าเพิ่งปล่อยวางโดยที่ไม่ได้ทำไม่ทันทําอะไรเลยนะไม่ทันทําแล้วก็ปล่อยวางแนละ้วอันนี้ไม่ถูกนะมันต้องทําก่อนนะเหมือนอย่างหลวงพ่อโตที่ท่านก็เตรียมองค์กระถินเตรียมบริขารมาเต็มที่นะแต่ไปไม่ถึงก็ไม่ทุกนะก็กลับแค่นั้นเองถือว่ า, าทอดกระถินเสร็จแล้วนะแต่ไม่ได้ทอดให้ไอ้ปลาททอดให้ขโมยก็แบบเป็นไรนะเอาแล้วนะก็ขออนุโมทนานะเอ่อทั้งท่านเจ้าภาพนะก็ที่มาที่มาอุปถัม ทางวัดวารามมาโดยตลอดแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพไปกับการทอดกะถิ่นติดต่อต่อเนื่องกันมาหลายปีรวมทั้งญาติโยมที่มาร่วมบริจาคนะองอสมทบกบกองกระถิ น, นแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธามาตั้งโรงทานนะมาให้อาหารนะสงเคราะห์ผู้ที่มาร่วมงานตลอดจนญาติโยมที่นะมาแต่ตัวแต่ไม่ได้ตัวเปล่านะมาด้วยใจนะ ก็เพียงแค่อนุมโมทนาเนี่ยก็ได้บุญแล้วนะอย่างที่พระจะสวดในเวลาสักครูเนี่ยนั้นก็จะบอกว่าเนี่ยชนเหล่าใดนะที่ร่วมอนุมโมทนาหรือขนขวายในการทำบุญนี้เนี่ยก็มีส่วนแห่งบุญด้วยขนขวายคือว่าสละแรงกายเนี่ยนะไม่ใช่เป็นว่าจะต้องมาเป็นเจ้าภาพไม่่เป็นว่าจะต้องถวายเงินเท่านั้นนะ ให้เรามั่นใจว่าเราทำแล้วก็ได้บุญและบุญนี่แหละนะก็จะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายทั้งในวันนี้วันหน้าและเมื่อไปสู่พอโลกนะก็สุดท้ายนี้ก็ขออ้างคุณพระตัตนาไตราอานวยอวยผลให้ญาติโยมทุกท่า น, น, นได้เจริญด้วยอายุวันณะสุขะภละเพื่อเป็นพระปัจจัยในการทำความดีงามให้ถึงพร้อม ประกอบจิต ด, ด้วยความตั้งใจขณะเดียวกันก็รู้จักปล่อยวางนะทำจิจแล้วก็ทกําจิตไปพร้อมๆกันเพื่อทําให้เกิดความสงบเย็นและสามารถจะบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อศาสนารวมทั้งได้บําเพ็ญประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมขอให้มีปัญญาพาจิตออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุกเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายเดีวยวกันทุกคนเถิด